สัมพุท ธ, ธัสสะนาโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานาโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ไม่ใช่นั่งสมาธิแบบเลื่อนรอยเมื่อพระองค์อยู่ในคารวะญาติโยมอายุได้ยี่สิบเก้าปีก่อนบว่าเป็นคนใหญ่รู้จักพิถูกชั่วดีตามธรรมชาติ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 เรียกว่าลึกลับพุทธบิดาะเจ้าสุโทโธธนะไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จออกบรรพชานางโคตมีแม่น่าแม่เลี้ยงป้อนเขาให้น้ำนมก็ไม่รู้คือพระองค์ไม่บอก ไม่บอกใครทั้งนั้นถ้าบอกแล้วเรื่องมันจะมีอปุปสรรคเพราะไม่มีใครที่จะให้พระองค์ท่าโบวจะให้อยู่โดยเฉพาะพระเจ้าพระพุทธบิดาอยากจะให้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรฒนตราธิราช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 ยังเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบนาทีก็ไปบอก น, น, นายชนะเลยว่าให้ลุกขึ้นแต่งมาเราจะออกบดแล้วห้ามพูดห้ามคุยอะไรทั้งนั้น น, น, นายชนะก็ไม่มีอะไรไปแต่งมาเลยเช็เจแ้าก็มาบอกมาเรียนมาทูล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 ผมแขกก็แบบเดียวกับผมกินเดีวผมผมปีนั่นเองละมว น, นมากตัดทีเดียวกับเสียงทายว่าถ้าข้าไปเจ้าจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆก็ยาให้เส้นเกสานี่ทั้งหมดตกลงแผ่นดิน ไปขึ้นไปสู่อากาศโยนออกไปโยงไฟก็เทวดาเป็นมีเทวดาที่พวกเราว่าไม่มีเทวดาไม่มีมันมีอยู่เทวดาพันเอาพานคอยรออยู่แล้วเอาไปสร้างเจดีไวทีธาตุเกศแก้วจุลมณีแต่มันไม่ได้สร้างแบบมนุษย์สร้างมันแล้วว่า นิมิตเอาเป็นพระเจดีตามตำนานว่ามันเป็นทรงกลมถ้ามองคิดไดก็เหมือนพระพุทธรูปเป็นรูปพระพุทธรูปก็ได้แต่มันเป็นทรงเจดีถ้าเกตแก้วก็ไปไว้ที่นั้นส่วนพระองค์ก็ถือแค่เป็นหนักโบสถ์หรือไ รูจะอาบน้ำทําละกายเส่นกอ่อนหรือ เ, เป็นนักบวชสมทานตัวเองว่าตั้งแต่นี้ไปรรพระเจ้าจะเป็นพระฤาษีเป็นนักบวชไม่ใช่เป็นลูกเท่าพญ า, าหมากริยัอะไรเป็นนักบวชองหนึ่ง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 มันแสนลูกมันรู้ว่าเอ๊นายเราจะไม่กลับแล้วมองดูสีตา ก, กตัดผมเปลี่ยนเพศจะไม่กลับแล้วเลยกั้นใจตายห่าตามตำนานมาพระที่นั่งนะกั้นใจตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ท่านตาวาติงสา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 ทะเลสา์นั่นแข็งไหลลงมาเป็นทะเลสาบก็ไปภาวนาจนปลุกมาละเขาในประเทศอินเดียได้หกพันาก็พอดีอายุของพระองค์ได้สามสิบห้ายังได้เสด็จลงมาภาคกลางอินเอินเดีย ผ่านกรุงราชสักขึจากกรุงราชสักขมาถึงที่พุทธคยาจังหวัดพุทธคยาหรือต้นไมโพนี่60กิโลพอมาผ่านกรุงราชสักขึ้นในลา น, น, นพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์กองกรุงราชสักขึ คนกรุงรักพฤกษไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผู้ชายสวยงามปุริสารักษณะไม่เคยปรากฏผ่านไปนั้นแม้แต่คนเดียวพอเห็นเข้าก็ตื่นเต้นกันทั้งหญิงทั้งชายทำการงานยังบด่ดแลวมันตื่นเต้นแก่ จึงไปทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าจะเป็นคนหรือเทวดาก็ไม่รู้มาบินธบาตมาในเมืองเพื่อให้เระ อ, องค์รู้พระเจ้าพิมพิสารก็ตัดบอกพวกบริวารว่าให้ไปดูหงังงาถ้าเป็นคนเมื่อท่านได้บินธบาตแล้วท่านเกิดคงจะไป ฉันบินธบาสวยอาหารที่ใดที่หนึ่งริมน้ำแหละถ้าเป็นเทวดาก็จะหายไปไมไม่ไม่ปรากฏหลาดบุรุษก็ตามดูพอได้อาหารพอถันแล้วท่านก็ไปที่น้ำน้ำที่นั่นแล้วว่าตะโปธาลาม เป็นน้ำร้อนน้ำอุอน่นไหลจากภูเขาพระองค์ก็ไปถานที่นั้นก็ไม่กไกลจากนันทไลจากวังของพระเจ้ากินพิสารพอเขาเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไปทูลพระเจ้ากินพิสานว่าถ้าจะเป็นมนุษย์แท้เดี๋ยวนี้ท่านกำลังถันบินธาํากินเข้าอยู่ที่ลิ่มน้ำ พระเจ้าพินพิสารเวลานั้นมันก็ไม่มีรถมีลาเหมือนสมัยแฉดอินเดียนี้ก็คงใช่ม้านั่นอนะ่ะรถมา้าขี่ม้า ก, ก็ลอกไปก็ลอกก็ลอกกนะันไปถึงก็ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมแล้วก็ตัดถามว่าไปอย่างไดมาอย่างได พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่ามาจากกรุงกบินละพัทเพราะว่ากรุงกบินละพัทพระเจ้าพินพิสารก็รู้ไว้ก่อนแล้วว่าพ่อแม่เป็นมัดเป็นเสี่ยวทหายกันไว้ชื่อชิตตะราชกุ ม, มาร เป็นเสี่ยวเป็นสหายกันพอได้ข่าวว่าเสี่ยวสหายมาก็เลยบอกบอกโทนบอกว่าเออไม่ต้องไปไหนละอยู่ด้วยกันมาเมราก็ดีลจะบแบ่งแผ่นดินหรือแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งไปสมัยนั้นเพื่นทำไรทำนาเนี่ บดีเก็บภาษีเหมือนรัฐบาลสมัยนี้ทำไรทำนาแบ่งแผ่นดินกันแบ่งรับสลอน์ตามแผ่นดินอาพุธเจ้าของเราแนมะ้ยังไม่ได้ตัดก็ตามแต่ท่านไม่เอาแล้วท่านบอกว่าเออจะให้อยู่นั่นอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นแบบคนเป็นนักบวชมล้ กำลังแสวงหาที่ภาวนาดีๆจะได้จัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าเสียทีมุ่งหมายอย่างนั้นจะให้อยู่ขระวาสญาติโยมอย่างนี้ไม่เอาแล้วสละมาแล้วจากกรุงกบิลพัทแล้วก็สละมาได้ตั้งหกปีแล้วไม่ต้องการอะไรอย่างพระองค์อีกแล้วครับ เจ้ากิมพิสานก็ฉลาดเออถ้าพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ไปภาว น, นานได้ตัดสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วก็ให้มาโปรดฆ่าด้วยพระองค์ก็เออได้ทำมันได้ตัดสรู้พระองค์ก็ลาพระเจ้ากิมพิสานกันเดินทางต่อไปที่ว่าหกสิบกิโล เมื่อไปถึงก็พอดีได้ไปถ่านนางให้เข้านางเองสีอ่อิบเก้าขก่อนพอฉันแล้วก็เชียงถาดเชียงถาดในแม่นำ้ำไกลไกลตนโพแล้วก็ไปถึงตนโพ มันเป็นเหตุบังเอิญนะตามตำนานว่าต้นโพต้นนั้นก็งอกขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าของเราอายุต้นโพก็ได้สามสิบห้าปีกำลังสวยงามเป็นลมเงาดีที่สุดะองค์ก็ฉันจนังนันแล้วก็เสวยอาหารล้วก็ไปอยู่นั่นตลอดวัน ไม่เห็นเข้าเราก็เอต้นไม้ต้นนี้แหละเราจะภาวนาให้มันเต็มที่ก็พอดีแขกเรื่องโคคนหนึ่งก็มาเห็นเขาว่าพระฤาษีต้นนี้ตั้งแต่เช้าและไม่มาแล้วก็ไม่ไปไหนเห็นอยู่บริเวณล่มไม้ต้นนี้ ลมเย็ยนๆ เ, เคยไม่ไปไหนคงจะนอนที่นี่แน่จึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาย่าคามาได้แปดกรมมาถวายพระองค์กรรับเอาย่าคาแปดกรมมาปูนั่งภาวนาปูนั่งด้านทิศตะวันออกของต้นไม้โพนั้น ไมโพนี่ได้ชื่อภายหลังแต่ก่อนเขาเรียกไม่อะไรก็ไม่รู้พอพระพุทธเจ้าตัดโพธิญาณแล้วก็แล้วว่าไมโพธิหรือไม่สลีภาษาชิ้อเนือเขาเรียกไมสลีคือสลีตัวภสีภสซคอรอสรลอีเขาอ่านหมดทุกตัวไมสลี ไม่สีมาหาโพธิ์นั่นเองนะเวลาเข้านั่งที่พระองค์ปูอาสนะด้วยยาคาทั้งแปดกรรมก็นั่งขัดสมาธิเนี่ย น, นะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่แต่ก่อนนั่น น, น, นั่งแบบไหนนับไม่ทวนมาบัด น, นี้แล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วบัน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 พระองค์ก็นั่งภาวนาแล้วกันเมื่อนั่งภาวนาแล้วกิเลสมานสังขารมานขันธ์มานหมายความว่ามานทุกอย่างลุ่มมาละมันลบแทนแก้วพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่หวั่นไหวได้ตั้งใจไปแล้วว่าตายนั่งตายะ กำหนดลมเข้าออกตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ทำพราะเป็นวิธีการอย่างพวกเราเอาจริงมันลมเข้ากุลลมออกก็กำหนดโลกจิตใจดวงูพโลมันโลอยู่ที่ลมเข้าออกเคยคิดไปห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงหอปราสาทราชสมุเทียนไม่ให้ไป โยที่ลมเข้าลมออกอี่ตลอดเวลาพอจิตสงบระ ง, งับลงไปบ้างก็เนึกถึงความตายได้ว่าลมเข้าลมออกนี่บอกแห่งความตายถ้าลมหายใจเข้าไปนี้ออกมาไม่ได้เราก็ตายเข้าและออกเป็นที่ตายได้เนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจ จิตใจก็ยิ่งมั่นคงลงไปสงบระงับเยือเกเย็นสบายไม่ท้อแท้ในหัวใจจิตใจปลอดโปร่งไปโดยลำดับในคืนวันนั้นและค่นคืนไปประมาณนั้นจิตใจของพระองค์กากลาหานสามาก ตัด ก, กิเลสความโกรธได้ตัด ก, กิเลสความโลภได้ตัด ก, กิเลสความหลงได้ตัด ก, กิเลสพันธาตันหาลอยแปดได้คือจะไม่ทําตามอํานาจกิเลสโดยเฉพาะคือกิเลสลาคะตันหาเป็นตัวการสําคัญที่สร้างรูปสร้างนามให้พระองค์กรมดี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 ตายเมื่อใดก็ไม่ต้องกลัวเพระองค์เตือนว่าลมเข้าไปนี่ออกมาไม่ใดก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ใดก็ตายท่านตายนมื่ภายในร้อยปีคนในสมัยนั้นไม่เกินร้อยปีเกินก็ไม่พ้นจากความตายต้องตายแน่แน่ เจ็ดของพระองค์ก็เรียกว่าสามารถอานานตัดได้ขาดไม่ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกิจันไม่กลัวว่าใครจะมาติดเตียนนินทาไม่มีเสื่อมเสียอะไรใครจะว่าดีท่านก็ไม่ไปสนใจใครจะว่าร้ายให้พระองค์ก็ไม่สนใจ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 คือพระองค์เอาชีวิตแรกเอาความตรัสรูลเป็นประพุติเจา้า <c oughs> ในใ่ได้ง่ายๆแม่พระสา ว, วกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธตาขันก็เอาชีวิตแรกถ้าไม่เอาชีวิตแรกเนี่ยเจ้ากิเลสมานสังขารมานขันธมานมันคอยหลอกลวงอยู่เสมอ กลัวเจ็บหรอกเล็กน้อยกต่กลัวมันจะเป็นมากกันเจ็บมากกลัวมันจะตายพระองค์เรียว่าไม่ยึดไม่ถือมันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ขันห้ามันตายจิตพระองค์ไม่ต้องยออ่อท้อกำหนดอน า, นาปาลมหายใจเข้าออกจนกจิตใจสงบตั้งมัน่น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 ละกิเลสความหลงได้เองละองค์ลู้เองเข้าใจเองเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความเศร้าหมองขุนมัวเหมือนแต่ก่อนมาเพราะความเศร้าหมองขุนมัวนั้นคือกิเลสความกโกรธโกทะความโกรธโลภ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 จิตใจของพระองค์ก็โล่งโปร่งเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับคนอื่นสัตว์อื่นแม้ร่างกายสังขารของพระองค์ก็ไม่ยึดไม่ถือแต่เจ็บปวดทุกขเวทนาก็เป็นธรรม ด, ดาเนื้อหนังมังสังของมนุษย์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 ทีนี้จึงให้พากันนึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าคือน้ำพัะไทยใจพระพุทธเจ้านั้นเป็นพุทธพุทธโธจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือหรือคำพูดความคิดจิตใจของพระองค์ไม่เกี่ยวก่อกังวลใน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 ตาตีเลสความโกรธไม่ขาดไม่ได้เป็นใจดำตาติเลสความโลภไม่ได้เป็นใจดำเป็นแม่ใจดำไม่ใช่แม่ขาวแม่ทีเพราะนั่นวันในตาตมันขานติเลสความหลงแม่มีอยู่ในจิตให้ใสสว่าง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 ตั้งใจถึงคนประพฤติเจา้าพระพฤติเจ้าท่านตัดได้ละไดยวางได้เรามันคาอะไรเกียนเพ่งดูในจัดจิตใจของตนเอาให้มันลูกจักลูกแจง้งลูกจริงเลิกได้ละได้มันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ถ้ามันวุ่นวายไป จิตใจดวงผู้ลูกอยู่ในตัวเราจะต้องตั้งให้มัน่นเอาให้จริงเรียกว่าตั้งใจลงไปให้มันเต็มที่นั่งภาวนาให้มันได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วมันเลยความเจ็บความปวดทุกขเวทนาต่างๆ จนจิตใจเลิกละกิเลสตัดกิเลสในจิตในใจได้จริงๆถ้าตัดกิเลสลาคัโทสะโมหะในจิตไม่ได้ตายเสียดีกว่าอยให้มันหนักแผ่นดินไปทำไมกินเข้าสุกปลาตายกินหน่อไม้อยู่ทำไม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 ไม่ว่ากระเดหัดแล่นักบวชเด็กเล็กขนาอายุขนาดเจ็ดขวบท่านก็ภาว น, นาตัดกิเลสละกิเลสได้เป็นพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาอารหันตา์าสีที่พระสงฆ์ท่านนุ่งข่มนันคือว่าสีเหลืองคําว่าสีเหลืองไม่ได้หมายถึงว่ามันเหลือง เป็นสีใบไม่แก่สีเหลืองใบไม่แก่ธรรมดาใบไม่แก่มันมีแต่จะร่วงหล่นลงมาสู่แผ่นดินสีนักบูนี้คือว่าเป็นธงชัยพระอรหันต์ไม่สดชื่นอยู่ในใบนะมันแก่มันหล่นลงมามันตาย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 เอาให้ได้ทำให้ได้จึงชื่อว่าสาวโกเป็นสาวกของเราต่าคตทานละอีเลตันหามานะในจิตใจไม่ออกไม่หมดไม่สิ้นไม่ใช่ลูกิตของเราเป็นลูกิตพระเทวทัตเป็นลูกิตของพญามาน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 จะนั่งภาวานาตอนเช้าก็ยังเช้าอยู่ยังไม่ภาวานาอันจะนั่งไว้แล้วภาวานาตอนสายก็บรรอนกลางวันก็บรรลเมื่อเหื่อไหลไข่รอดย้อยนั่งไม่ได้กลางคืนก็เรว่างไข่หลับใครนอนพวกมา น, านั่นเราอย่าไปเชื่อไปหลงทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจ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 ไม่ตายเมลาหนุ่มจะต้องตายเวลากลางคนเลยกลางคนไปเป็นคนแก่คนชราไม่มีทางที่จะหลบหลีเหมือนกับไม้ต้นไหนที่มันใกล้ฝังน้นำไหลนำ้ำซาอทุกปีทุกปีต้นไม้ต้นนั้นย่อมค้นลงมาตาคนมีอายุแกช่ชราสี่สิบห้าสิบไปหน้า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 ร่างกายสังขารขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งได้มาจากท้องแม่ก็เอาไปไม่ได้ตายเวลาใดก็ทิ้งที่นั้นถ้าไม่มีผู้อื่นเผาผีจีกระดกก็จะมีมแมลงวันมาไข่เอานอนใส่แล้วเป็นน้อนก็กินเลือดเนื้อร่างกายจนหมดสิน้น ย็ดยัยมายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเขาว่าเป็นของเราที่ไหนถามดูกะรู้ผมเป็นของเราแม่มันก็เฉยไม่วะขนเป็นของเราแม่มันก็เฉย อ, อาการสามสิบสองเป็นของเรามันเฉยทั้งนั้นเขาไม่วะใครเป็นคนวะ พูว่าก็คือว่ามานกิเลสมันว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี้นั่นแหละคือว่ามานกิเลสมานกิเลสลาคะมานกิเลสโทสะมานกิเลสโมหะมานกิเลสอวิชชาตัณหามันปิดบัง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 ตัณหาลักโลกเหมือนเชือกผูกคอตัณหาลักผัวลักเงยเหมือนปอผูกศอกตัณหาลักวัตถุเข้าคองเหมือนปอกสุกตีนเหมือนมัดตีนมัดมือไปไหนไม่ได้นั้นต้องดูพิจารณาให้ดีถึงขราวจะต้องภาวนาตัดละมันเด็ดขาดลงไปแล้วก็เอาให้มันจริง ต้อระลึกถึงพระองค์ผู้เป็นซับพันโยพุท ธ, ธะพระองค์ละได้หมดทุกอย่างทุกประการทําไมเราจะมาคาอยู่ล้องอยู่ติดอยู่หลงไหลยอยู่แค่ปลายลล่ยนยินดีพอใจอยู่แค่ลดอาหารการกินยินดีพอใจอยู่ในโลก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 ถ้าตัดละกิเลสตัณหามานะทิฐิหมดจิ้นตายแล้วมันก็เข้าถึงซึ่งนิพพานไม่ต้องนาเยน็นไายตายเกิดอีกในพบต่างๆต่อไปอีกพุทธสาวกในครั้งพุทธาลท่านภาวนาละกิเลสท่านไม่ใช่บวดมาเพื่อเพิ่มกิเลสขึ้นเพิ่มกิเลสให้มันมาก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 สแสดงอยู่ะเป็นใจเสือใจเสือใจที่โกรธใครทำอะไรค้างฮือเฮอนี่แต่ถ้าจะโกรธอย่างเดียวใจโกรธใจโลภใจหลงใจกิเลสตัณหาเลิกละตั้งใจนี้ต่อไปให้มันหมดสิ้นทุกคนแล้วจะเห็นผลเห็นอานสง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 ก็จะมีความสุข ก, กายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่เกิดมีขึ้นแก่บุคคลพวกนั้นคือผู้เลื่อมใสในคุณสัพพุทธเจ้าในทานศีลภาวานาที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายจนได้ตรัสรลภเป็นสัพพุทธเจ้า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 พระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เรากราบไหว้บูชาละเลิศถึงพระธรรมประสงค์ก็อยู่ที่นี่ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาส ง, งบเข้ามาตั้งให้มัน่นส ง, งบโย่ให้ได้ทุกเวลา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 กิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนของสัตว์ทั้งหลายของเทว ด, ดาอินทร์ลมใครๆก็ตามถ้ายังอยู่ในโลกนี้กิเลสเหล่านี้มันจะหุ้มพ่อล้อมลอกกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นอยู่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติบูชาภาวานา กิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะมันจะลุ่มโจมตีเอาฆ่าทำลายให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นท่อแท่อ่อนแอในหัวใจจะไม่ลุกขึ้นภาวนาได้เลยเมื่อเราตื่นแล้วรู้สึกแล้วก็ให้ตั้งใจอย่าให้ใจท่อแท่อ่อนแอ จองยกจิตใจของตนให้สูงส่งสูงก็คือว่าไม่ตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละเรียก ว, ว่าสูงส่งก็คือว่าส่งออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ต้องไปยึดเอาถือเอากิเลสราคะโทสะโมหะในโลก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 ความว่าเวาวิตตกวิจารก็ไม่มีเรียกว่าพุทธโธอยู่ในดวงใจพุทธะพุทธโธอยู่ในดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหาไปที่อื่นหลงไปที่อื่นนอกจากคิตใจของตัวเองชื่อว่าเป็นคนหลงคนพานคนเมาคนไม่ภาวานาคนไม่ตั้งอกตั้งใจ ไม่ทำใจของตัวเองให้มีความสงบหลับจึงได้เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานทิติไม่มีที่จบที่สิ้นได้เรียกว่าตัณหาพาเป็นไปในใจมนุษย์คนเราเครือกามะตัณหาความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลาย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 ที่เศร้าเหงานอนก็อยู่ที่นั่นฟุ้งซ่านลำคาญก็อยู่ที่นั่นการมันันก็อยู่ที่นั่นพยาบาทก็อยู่ที่นั่นทีนมิตะความร่วงเหงาเานอนก็อยู่ที่ใจ <c oughs> <c oughs> ความสงสัยในธรรมความสงสัยในโลกก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะว่ากิเลสนิวรนมันมีอยู่ ความฟุ้งซ่านลำคาญคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆเึิกเอาพุทธคุณทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยู่จะไปวุ่นวายอะไรภายนอกนั้นพุทโธอยู่ที่นีพุทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่กายพุทโธอยู่ที่วาจาพุทโธอยู่ที่จิตใจสงบ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 ไม่มีทางสงบประงับได้ทาหาวารวบรวมกำลังเข้ามาตั้งภ า, ายในพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกและลมหายใจเข้าออกก็ให้มองเห็นว่าอายุหรือว่าชีวิตของสัตว์ทางไล่มันห้อยอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เอง ตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองถ้าลมหายใจนี่แหละขาดสบั้นหันแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้วบุคคลผู้นันก็จะเหลือแต่สิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าพุกพังเท่านั้นเองพุทโธไม่จะออยู่อนาคตพุทโธไม่จะออยู่อดี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 รูปร่างกายของคนเราที่เรามานั่งอยู่นี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกนั่นแหละธาตุน้ำก็เหมือนน้ำภายนอกแต่มัน